ข้าพเจ้าจะศึกษาพุทธตาในฐานะหาญาณแล้วสิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจพันแรกก็คือว่าการทาความเข้าใจในเรื่องของพุญธตาให้ถสิต่อเรื่องพุญธตาเป็นเรื่องสําคัญในชาวพุทธฝ่ายเหนือเหมือนกับเรื่องอนัตตาเป็นเรื่องสําคัญในชาวพุทธฝ่ายใต้แต่ความจริงคำว่าพุทธตาก็มีใช้ในคำพีฝ่ายใต้เช่นอันมากไม่ใช่ว่าไม่มี ถึงกลับจัดขึ้นเป็นหมวดหมู่หนึ่งเป็นหมวดที่ว่ า, รร า, าด้วยสุนทตาโดยเฉพาะแล้วก็เกี่ยวกับสมาบัตดอันเป็นที่อยู่ของพระพุทธองค์ก็จะตระสัสว่าพระองค์มีปกติอยู่ด้วยสุนทรีย์ตาสมาบัดแม้แต่ในเรื่องการวีโมก ค, คือความหลุดพ้นก็แจกออกเป็นวีโมกสามมี อานิมิตะวิโมกขปาเนหิตะวิโมแล้วก็สุญญตาวิโมกเป็นวิโมกสามด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องสุญญตาจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะในฝ่ายมหายาญความจริงก็เป็นธรรมะพื้นๆทั่วไปเพราะฉะนั้นชาพุทธในฝ่ายเทระวา่าเมื่อไม่เคยคุ้นกับคำว่าสุญญตาบางทีความสนใจในเรื่องสุญญตาก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความจริงได้ ตอนอื่ต้องทําความเข้าใจว่าธรรมะพุทธิย า, านี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรพุทตตธิยานีกับนักติยาในภาษาบาลีใช่แตกต่างกันนักติยาเป็นคําปฏิเสธว่าไม่มีอะไรอย่างสิ้นเชิงแต่พิทตานั้นไม่ได้เป็นคําปฏิเสธว่าไม่มีอะไรอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นการีจะทําความเข้าใจในเรื่องรากของภาษาเพื่อต้องกันความเข้าใจผิดในการศึกษาธรรมะหมวดนี้เราจึงต้อง ความแตกต่างของนักติตาคําหนึ่งกับนักญาติคำหนึ่ ง, งผู้ที่มีทิฏฐิในเรื่องสัญญตาไม่ได้จัดเป็นวิชาทิฏฐิเขาคําว่าสุญยตานั้นเป็นตัเทคกซเกินเทอมที่ใช้กันเฉพาะในวงของชาวพุขไม่ได้ใช้กันในมือพาหิระอัติถิถ้าในมือพาหิระอัติิแล้วเขาใช้คําว่านักติตาเฉทข้ ซึ่งหมายถึงคำปฏิเสธสภาวะอย่างขาดไม่มีอะไรเลยว่าปฏิเสธว่างเปล่าอย่างอากาสภาว์ที่จะเป็นลักษณะที่เบียงกันว่างนัสติตาหรืออุจเฉชาคือไม่มีอะไรอย่างสิ้นเชิงเลยแต่คําว่าสุญญานั้นไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรอย่างสิ้นเชิงคํานี้เป็นแต่เพียงคําปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยตัวมันเองชนิดที่ไม่ต้องแผลีมอาศัยเหตุปัจจัยแปลว่าสุญญา ไพราันเรจะตั้งคำถามว่าพุญญาตาแปลว่าอะไรก็แปลว่าพุญญาตานั้นหมายถึงคำปฏิเสธสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่โดยลาพังตัวมันเองแต่ไม่ได้ปฏิเสธสภาวะที่อาศัยแอบอีิงด้วยเหตุด้วยปัจจัยปรากฏขึ้นอันนี้เป็นคำแตกต่างของความหมายคำว่าพุญธตากับนักติตาในฝ่ายภานิย ร, ะระัติ เพราะฉะนั้นคนที่พออพูดถึงเลขศูนย์ก็เป็นเรื่งถึง เ, งเลขศูนย์คือเลขว่างเลขเปล่าๆไม่มีอะไรไม่มีมูลค่าแต่ความจริงศิลปะไม่ได้หมายถึงเลขศูนย์อย่างในวิชาเลขคณิตที่หมายถึงว่าไม่มีคุณค่าอะไรไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเป็นเพียงแต่คําปฏิเสธสิ่งที่เป็นนิจจ์นิจจ์สภาวโตสิ่งที่เป็นภาวะที่เที่ยงอยู่เป็นนิจ ที่เป็นอยู่โดยลาําพังตัวมันเองที่เป็นขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยอิเตุปัจจัยสิ่งนี้ต่างกที่พุทธศาสนาปฏิเสธและเรียกว่าสุญญาตาคือว่างเปล่าจากความเป็นอยู่โดยลาําพังตัวมันเองแต่ความเป็นอยู่ใดที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยมาประทุมปรุงแต่งให้มีขึ้นเป็นขึ้นความเป็นอยู่ที่อาศัยเหตุปัจปจัยปรุงแต่งนั้น ไม่ได้รอยถูกปฏิเสธด้วยถ้าใครไปปฏิเสธสภาวะที่อาศัยเหตุปัจจัยสูงแต่งนี้ขึ้นแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นฝ่ายนักจิตาคือฝ่ายที่เห็นขาดศูนว่างเปล่าทั้งนี้ในภาษาไทายเราเําคำว่านักจิตาในภาษาบาลีสันสกฤตไม่ใช้แล้วก็แปลความหมายในทางที่เรียก ว, ว่าไม่มีอะไรปฏิ เ, เป็นคําคําปฏิเสธอย่างสิ้นเชิเพราะฉะนั้นจึงไม่เกิดความเข้าใจผิด ในเรื่องสัญญตาอย่างนี้เราทรากันอยู่แล้วว่ามูลราชของพุตตสนาหน้านีน้ได้ปฏิเสธอัตตาตัวตนอัตตาหนะ้ามีอยู่สองแบบด้วยกันแบบหนึ่งเรียกว่าความยึดถือในตนมีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ยึดถือในธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสุญญตาซึ่งเป็นอาวุธ สำหรับปราบความยึดถือนี้ทางมหายาณจึงได้จัดออกเป็นสองหมวดเรียกว่าปุคละสุญญตาประเภทหนึ่งเรียกว่าธรรมะสุญญตาอีกประเภทหนึ่งเป็นสองประเภทเดียกันบุคลาสุญญตานั้นได้แก่การเพิกถอนความยึดถือว่าเป็นตนเป็นเขาเป็นเราความยึดถืออย่างนี้ยึดเมื่อปล่อยวางเสได้ก็เรียกว่าปุคละสุญญตาคือบุคคลศูญหาจักหาบุคคลไม่ได้ อย่างพาสิกของนางวชิราภิสุกนีที่กล่าวว่าเพราะความประชุมแห่งขันการบัญญัติว่าตัดบุคคลจึงมีขึ้นเหมือนกับการประชุมของล้อรถเทารถองค์ภายกของรถเมื่อประชุมพร้อมแล้วคําว่ารถจึงปรากฏขึ้นชันใดเพราะเหตุที่ขันทั้งหลายมีอยู่การบัญญัติว่าเป็นตัดเป็นบุคคลจึงเกิดมีขึ้นฉั้นนั้น แต่โดยประมาทแล้วมีแต่ทุกขานั้นที่เกิดขึ้นทุกขานั้นที่ตั้งอยู่ทุกขานั้นที่ดับไปอื่นจากทุกไม่มีอะไรเกิดอื่นจากทุกไม่มีอะไรดับคําว่าทุกในภาสิทธังนางวชิราปิทุกณีคํานี้ไม่ได้หมายถึงความเศร้าโศกเสียใจไม่ไม่ได้หมายถึงความทุกข์ทังใจคําว่าทุกนี้หมายถึงทุกขสภาวะคือสภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงทนอยู่ใน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 อันใดไม่เที่ยงเราอันนั้นก็ต้องเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงหรืออ น, นิจจงนั้นหมายถึงภาวะที่ไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมความเปลี่ยนไปส่วนทุกข์ขังหมายถึงสภาพที่ไม่สามารถจะทนทานต่อคุณสมบัติเดิมของมันได้จะต้องแปรไปะฉะนั้นสัตว์สองสัตว์นี้จึงอาจจะเป็นไว้พดใช้แอบปินคู่กันได้เสมอไม่จำเป็นต้องพูดมาควบคู่กัน ถ้าพูดถึงว่าไม่เที่ยงแล้วก็ต้องหมายว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถ้าพูดถึงว่าเป็นทุกข์แล้วก็ต้หมายว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงสาเหตุที่ว่าไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์นี่แหละจึงเป็นสุญญตาจึงไม่นสุญญตาที่เป็นสุญญตาหมายความว่าคุณสมบัติดั้งเดิมของมันนั้นมันไม่สามารถจะรักษาคุณสมบัตินั้นไว้ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปทนในสภาพเดิมมันไม่ได้สิ่งใดที่ทนในสภาพเดิมมันไม่ได้สิ่งนั้นจึงเป็นสุญญตา เพราะคาว่าพุทธิยถาแปรว่าไม่มีภาวะใดที่เป็นอยู่มีอยู่โดยตัวมันเองไม่มีภาวะใดที่เป็นอยู่มีอยู่โดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งขึ้นทานี่ไปว่าุทธิยถาอย่าไปเรื่องพุทธิยถาแปลว่ามีนีอะไรถ้าเป็นเรื่องพุทธิยถาแปลว่ามีนีอะไรเป็นเลขศูนย่างไละวิชาเลขคณิตนีแล้วความปัจจัยอันนี้เป็นความปัจจัยที่ผิดพลาดไม่พุทธตศาสนามี มีพระสูตรที่แสดงถึงเรื่งสุญญตาโดยเฉพาะคือเรื่องมหาสุญญาตสูตรกับจุลสุญญาตสูตรเป็นการแสดงเกี่ยวกับหลักสุญญตาโดยเฉพาะและสุญญตานี้มีเป็นชั้นชัเป็นขั้นขั้นเป็นชั้นชั้นเป็นขั้นขั้นธมหายานทึงแม่แบ่งเป็นสองขั้นคือขั้นสุขละสุญญตาพวกหนึ่งธรรมสุญญตาพวกอะไรเป็นธรรมสุญญตาธรรมสุญญตานั้นคือความยึดถือใน รูปรูปประคันเวทนาขันสัญญาขันสัญญาขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันวางยึดถือในส่วนปริยอ่อยจัดเป็นธรรมเป็นความยึดถือในธรรมถ้าจะเปรียบแล้วความยึดถือว่ารถมีอยู่นี่เป็นอาจารย์ที่ยึดถือในตนความยึดถือว่า ม, มีอยู่ล่อมีอยู่ดุ ม, มีอยู่เรามีอยู่อาการที่ยึดตัวจะแน่รายละเอียดลงไปนี้เป็นความยึดถือในธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องแยกประเด็นออกยกตัวอย่างเช่นว่ามนุษย์ไร้ศาสตร์ประกอบด้วยขันห้าความยึดถือในขันห้านี้มีอัตตามีบุคคลมีสัตต์วะมีชีวะความยึดถือในอาการอย่างนี้เป็นความยึดถือในบุคคล ต้องป่อยวางให้ศูนย์ไปเรียกว่าปุคละศูนยตาคราวนี้เราไม่ยึดถือในอัตตาในชีวะาละักแต่เ้าว่าไปยึดถือในสิ่งที่มาประกอบให้บัญญัติว่าเป็นบุคคลเป็นราวเป็นเขาขึ้นสิ่งที่เป็นรายละเอียดมาประกอบนั่นก็ได้แก่ขันห้บนาบังธาตุสิบแปดบ้งอายตนะสิบสองบอาการที่จะยึดถือว่าอัตตาไม่มีแต่รูปขันมี อัตาไม่มีแต่เวทนาขันมีอัตาไม่มีแต่สัญญาขันมีอัตาไม่มีแต่สังขารขันมีหรือไปยึดถือว่าอัตาไม่มีแต่ดินน้ำไฟลมมีอาจารย์ที่ไปยึดถือในรายละเอียดอันเป็นสิ่งซึ่งจะมารวมกันเข้าให้บัญญัติว่าเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาขึ้นนั้นความยึดถืออย่างนั้นเรียกว่าความยึดถือในธรรมในธรรมซึ่งความยึดถือชนิดนี้ก็ต้องทำลายไปเรียกว่าธรรมวุญญาตา เพราะฉะนั้นเรื่องสุญญาตาจึงมีสองชั้นอย่างหยาบๆชั้นแรกต้องปล่อยวางในเรื่องบุคคลเป็นปุคลาสุญญาตาชั้นสองต้องปล่อยวางในความยึดถือในสิ่งอุปกรณ์รายละเอียดปลีกย่อยจากบุคคลลงไปอันได้แก่ขันห้าธาตุสิบแปดอายตนะสิบสองเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าทรมาสุญญาตาเป็นสองชั้นไปกันในลักษณะที่เป็นสองชั้นนี้สัพพังธรรมะ เราก็เรียกว่าอหังการและมมังการความยึดถือในบุคคลเป็นอหังการความยึดถือในธรรมเป็นมมังการเป็นมมังการสองชัน้นคือว่าเมื่อมีความยึดถือในบุคคลก็มีความยึดถือหนึ่งในของของตนเช่นว่าเอาละเราเลิกว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวฉันฉันไม่ยึดถือตัวฉันแต่ว่าฉันจะยึดถือในของของฉันเช่นว่ารูปก็เป็นของฉัน เวทนาก็เป็นของฉันฉันไม่ยึดถือจะยึดถือของของฉันอาการที่ว่าฉันจะไม่ยึดถือจะยึดถือของของฉันนี่แหละไอ้ของของฉันอันนี้เรียกว่ามามังการสิ่งซึ่งเรียกว่าเกี่ยวกับตนคราวนี้เมื่อผู้ใดสามารถทําลายอาหังการได้ผู้นั้นก็สามารถทําลายมามังการได้เป็นเงาตามตัวผู้ใดทําลายมามังการได้ผู้นั้นก็ทําลายอาหังการได้เป็นเงาตามตัวเพราะอไรเพราะว่าเมื่อไม่มีฉันแล้ว จะมีของของฉันแต่อย่างไรการที่มีของของฉันเกิดขึ้นต้องมีฉันอันเป็นต้นเข้าเหมือนกันถ้าไม่มีของของฉันแล้วฉันก็มีไม่ได้เพราะอันนี้จึงเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแต่ว่าเมื่อพุทธศาสนาพัฒนาการมาถึงขั้นที่มีลัทธิมีกายต่างลัทธิต่างอาจารย์แตกแยกกันออกมา การปีความธรรมะในมุมสุนียตาของบันดาอาจารย์เหลา่านี้ก็เกิดการขัดแย้งกันขึ้นยกตัวยอย่างเช่นว่ามีนิกายหนึ่งเรีวยกว่ามีกายสรรวาปฏิวาตะนิกายนี้ได้กเกิดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพานแล้วสามร้อยปีเศษอาจารย์ในนิกายนี้ตีความว่าฉันเราเขามีไม่ได้ถูกแล้ว แต่ว่าสิ่งที่มาประกอบให้บัญญัติว่าฉันเราเขานั้นจะลอยเป็นศูนย์ไปด้วยกว็หาใหมา่เพราะถ้าสิ่งที่เราเอามาเป็นเครื่องมือสําหรับบัญญัติสัตบุคคลเราเขาลอยไม่มีไปด้วยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะตั้งปทัดฐานของคําบัญญัติลงไปว่าอันนี้เราจะบัญญัติว่าเราอันนี้เราจะบัญญัติว่าเขาอันนี้เราจะบัญญัติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล เปรียบเหมือนบุคคลที่ต้องการจะปลูกตึกถ้าหาว่าไม่มีที่ให้ปลูกสําหรับให้รองรับวัตถุก่อสร้างสัมภาระต่างๆอันจะเป็นสิ่งประกอบกันเป็นตัวตึกแล้วตึกจะปลูกขึ้นในท่ามกลางสุญยากาศท่ามกลางความว่างเปล่าไม่ได้ชันใดสักหนุคนแม้จะเป็นคาสมมุติบัญญัตไม่มีจริงโดยธรรมัต แต่เพราว่าสภาวะของขันธ์าดอายตนะอันเป็นสภาวะประมัติณ์นั้นจะต้องเป็นสิ่งยืนรองสำหรับให้คาสมมติบัญญัติไปถือเอาถ้าไม่มีสิ่งยืนรองเหล่านี้แล้วเราจะไม่สามารถที่จะใช่ถ้อยคำโมหานใดๆไปบัญญัติภาวะใดๆขึ้นมาว่านี่เรียกว่ารูป ข, ขันธ์นี่เรียกว่าเวทนาขันธ์นี่เรียกว่าสัญญาขนันธ์ นี่เรียกว่าสังขารอาคารค น, นี่เรียกว่าวิญญาณขาคารได้เลยหรือไม่สามารถที่จะบัญญัติที่ลงไปได้ว่านี่เป็นปัทวีมหาพูดนี่เป็นวายโอมหาพูดนี่เป็นเตโชมหาพูดนี่เป็นอาโปมหาพูดลงไปได้เพราะฉะนั้นสภาวะธรรมะนั้นจะต้องมีอยู่เช่นคําว่าดินหรือปัทวีคําว่าดินหรือปัทวีนั้นเป็นบัญญัติแต่ถ้าว่าสภาวะธรรมะของดินนั้นจะต้องมีอยู่ หาได้เป็นบัญญัติหม่จะต้องเป็นสภาวะประมัดมีอยู่สิ่งนั้นคืออะไรคือสภาวะแข็งแข็งปัจจวีย่อมมีความแข็งแข็งเป็นลักษณะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจีงแขกฝรั่งไทยยวนแม่เรียกคําบัญญัติที่แตกต่างกันจีนเรียกไปอย่างหนึ่งไทยเรียกไปอย่างหนึ่งแขกเรียกไปอย่างหนึ่งแตกต่างกันก็จริงไม่เข้าใจกันเลยสุดท้ายตแต่เมื่อทุกๆคนมาสัมผัสกับ ทวีภาพที่แล้วทุกคนจะมีความเข้าใจตรงกันหมดว่าไอ้ลักษณะที่แข็งแกร่งนี่แหละเป็นดินไม่ว่าจีนไทยฝรั่งราวยวนจะต้องเกิดความเข้าใจตรงกันหมดว่านี่เป็นดินถึงแม้คาบัญยัติศัพท์จะเรียกแตกต่างของไปตามมายากของภาษาก็จะนั่นได้เห็นสิ่งที่ศูนก็คือบัญญัติโมหานต่างๆคือคำว่าดินเนี่ยไม่มีสภาวะ แต่ธาตุดินจะพอไมมมีสภาวะก็หาไม่ได้เพราะถ้าธาตุดินจะพรไอมมีสภาวะไปด้วยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะชี้อะไรว่าอะไรเป็นดินแตกต่างจากไฟอะไรเป็นไฟแตกต่างจากน้านอะไรเป็นน้านแตกต่างจากลมเพราะเหตุนั้นนิกายสภาวะที่ว่าจึงถือว่าบุคคลสูนได้อัตตาสูนได้แต่สภาวะ มาประกอบให้บัญญัติคําว่าบุคคลว่าตาว่าปัตว์ว่าชีวะจะคลอยเป็นศูนย์ด้วยกว่าหาใหมา่นั่นก็คือนิกายนี้ยอมรับแต่กุคละศูญญตาไม่ยอมรับธรรมะศูญญตาคือธรรมะจะศูนย์ไม่ได้ธรรมะในที่นี้นะ่ะหมายถึงทั้งสังขารธรรมทีสังขารธรรมทั้งหมดไม่ใช่หมายถึงโงกุตระธรรมอย่างเดียวจะคลอยเป็นขอไม่มีสภาวะด้วยกว่าหาไม่ได้จะต้องเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ ดำรงอยู่นี่เป็นทัศนะของนิกายสรวาสวาทิต่อมาในสมัยที่มีพระธิมหายานแล้วฝ่ายมหายานหนึ่อยู่นิกายหนึ่งเรียกว่าโยคาจาระวิทยานวาทิสซึ่งเรียกเป็นฝรั่งก็เรียกว่าเป็นโยคาจาระไอเดียดิสซ์เป็นฝ่ายมโนภาพนิยมในพุทธศาสนานิกายโยคาจาระไอเดียดิสซ์นี้ ได้ให้ทัศนะว่าสิ่งทั้งหมดที่ปรารกฏแต่ทางอายตนะสัมผัสของเรานั้นไม่มีสภาวะเป็นอยู่จริงเลยทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่ภาพสะท้อนที่ออกไปจากจิตของเราสิ่งที่มีอยู่จริงนั่นคือจิตหาได้ศูนย์ไหมสิ่งที่ศูนย์ก็คือสิ่งที่เป็นภาพมายาอันเป็นภาพสะท้อนออกไปจากจิตของเรา เพราะฉะนั้นนิการนี้จึงเป็นฝ่าย subjectivist idealism ถ้าจะจัดก็เป็น subjectivist idealism คือมโนภาพนิยมในฝ่ายที่ถือเอาใจของตัวเป็นประธานเป็นใหญ่ไม่ใช่ je บเจกติฟไอเด s ยลิสั์ตรรกะไอเดียิหรือมโนภาพนิยมนั้นเขาแบ่งเป็นสองสาขาใหญ่สาขาหนึ่งเรียกว่า subjectivist idealism อีกสาขาหนึ่งเรียกว่า o b j e c t i v e idealism อา น, นิกายโยคาจารวิทยานวาทินนั้นเป็นฝ่ายสักเ e c t i v i s t i d e a l i s คือถือว่าโลกทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่งเงาสะท้อนทิศของจิตเป็นเพียงความตรึงตราของจิตที่ส่งปฏิกิริยาออกไปเป็นจักรภแห่งชีวิตขึ้นแล้วจิตนี้เองก็กลับเอาโลกที่ตัวสร้างนั้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ สราเวียนสางตามประกอบกุศลอกุศลละตามต่อไปเวียนวนกันอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจิตเกิดโลกก็เกิดจิต ด, ดับโลกก็ดับเพราะฉะนั้นสิ่งจริงแทหรือสภาวะที่เป็นประมัตจึงมีแต่จิตหรือเรียกในภาษาสังคกฤตวิทยานํ้นมีแต่อันนี้อันเดียวที่เป็นของจริงแทส่วนภาวะนอกเหนือไปกว่านี้ล้วนเป็นขุญญาตาทั้งนั้นรูไ้ไหมสุญญตาทั้งนั้นไม่มีสิ่งนี้อยู่โดยแท้จริงเลย นี่เป็นทัศนะของนิกายพุทธศาสนาอีกนิกายหนึ่งคือนิกายโยคาจาราไอเดียดิสม์หือเรียกกันว่านิกายพิธีนิวาร์ทิมอันเป็นฝ่ายพัคเจตติไอเดียดิสม์นิกายเนี่ยต่อมาได้มีนิกายพุทธศาสนาอีกนิกายหนึ่งในมหาญาตเรียกว่ามาธยมิกาอีกนิกายนิกายมาธยามิกานิกายมาธยามิกานี้ได้มีทัศนะเห็นว่าแท้จริง ที่เราเห็นว่าโลกมีหรือโลกไม่มีนั้นเป็นความเข้าใจผิดสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีก็ตามสิ่งที่ไม่มีก็ตามล้วนแต่เป็นมายาทั้งสิ่งรวมทั้งใจของเราด้วยก็เป็นมายาหลงตาลึงเห็นโลกแม้ว่ามีว่าเป็นอย่างนั้นเองเพราะอินาจธรียบเหมือนคนที่หลับแล้วฝันฝันโลกคือความฝันเพราะฉะนั้นความเป็นไปต่างๆหรือกรรมต่างๆที่ปรากฏในความฝันนั้นจริงไม่ใช่เป็นของจริงเลย เหตุนั้นในายมาธยมิกะจึงสอนว่าเรื่องสุญยตาจะต้องเป็นทั้งสุขะสุญญตาด้วยจะต้องเป็นทั้งธรรมะส <JO> ุญญตาด้วยคือนอกจากสบุคคลเราเขาจะไม่มีจ <mine>. ร <ilo> ิงแล้วขันธาตอเยตนะก็เป็นสิ่งที่ไม่มีจริงสิ่งที่ทางอภิธรรมบอกว่ามีจริงในกายมาธยมิกาว่าไม่มีจริงสิ่งที่ทางอภิธรรมบอกว่าไม่มีจริงทางมาธยมิกาถือว่าสิ่งนั้นเป็นความฝัน เพราะฉะนั้นจริงจรงมีทั้งสริงสมมุติและจิิงปรมัตแต่ในลัศนณะของนิกายมาทะยมิกะทั้งจริงสมมติทั้งจริงปรมัตนั้นเป็นมายาหมดเป็นความฝันหมดเป็นาาสุญญตาหมดนิกายนี้จึงมีคําเรียกว่าระวัครมาสุญญตาลักษณะคําทั้งปวงมีความสูญเป็นลักษณะที่ว่ามีความสูญเป็นลักษณนะน่ะเพราะว่าสิ่งทั้งปวงที่ปรากฏแตเ่เรา ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเลยสิ่งใดก็ตามที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีภาวะคงที่ในตัวมันเองสิ่งใดหมีภาวะคงที่ในตัวมันเองสิ่งนั้นก็เป็นสิจิตาแต่อาจารย์ที่ปฏิเสธเช่นนี้ไม่ใช่เชป็นฝ่ายสนับสนุนนักธิกาทิฐิหรืออุเฉตทิฐิก็หาไมา่นักธิกาทิฐิกับอุเฉตทิฐินั้นแตกต่างกับปรชัชญาในฝ่ายมาเทยมิกา ถ้าเหตุที่บอกปรัชญ า, าในสายมาจะยังมีกะนั้นเป็นปรัชญาลักษณะคล้ายคลึงกับสัมพันธภาพของไอส์ไทรนักประวิทยาศ า, าสตร์ไอส์ไทรเพิ่งค้นพบกฎแห่งสัมพันธภาพในศตวรรษ ท, ที่แล้วมาแต่ว่าความจริงในข้อนี้คณาจารย์ชาวพุทธในกายมาหาย า, ยายในกายมาเทยมิสได้นค้นพบความจริงข้อนี้แล้วยกตัวอย่างเช่นว่าความยาวกับความสั่น ถ้าตั้งปัญหาถามเราว่าความยาวมีไหมความสั้นมีไหมเราคงตอบว่ามีความยาวก็มีความสั้นก็มีแต่อาจารย์ในมีกายมาที่ยังมีกะบอกว่ามีมีครับทั้งยาวทั้งสั้นเพราะอะไรที่ว่าไม่มีเพราะว่าเรารู้ความยาวว่าเป็นความยาวก็เพราะอาศัยความสั้นเป็นเครื่องเทียบใช่ไหมความยาวจึงจึงปรากฏ ในขณะเดียวกันเราลูบความสั้นว่าเป็นความสั้นก็เพราะอาศัยความยาวเป็นเครื่องเทียบใช่ไหมความสั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นความยาวก็ไม่มีความสั้นก็ไม่มีมันมีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของสิ่งมาสัมพันธ์กันเข้าในเคสะที่ต่างกันในกาละที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นว่าคนไปเทียบกับภูเขาคนก่อทสมมติตัวหนึ่งกับเขาหิมาลายเอ๋อเว้แต่ถ้า คนตีนเขาเอวเลสําเร็จไปยือยู่เนือยอดคนสูงกว่าเขาเอเลสนี่แปลว่าเทตาที่ตั้งมันต่างกัน แ, แล้วเพราะฉะนั้นความยาวความสั้นจริงเป็นเรื่องหลอกลวงเปนเรื่องลโลกไม่มีภาวะความมีอยู่เป็นอยู่จริงเลยมีแต่ความเป็นมายาทั้งนั้นและถ้าเหตุที่ความเป็นมายานี่แหละทิงชื่อว่าสุญญตาถ้าความยาวมีอยู่ความสั้นจึงมีในขณะเดียวกันถ้าความสั้นมีอยู่ความยาวจึงมี ถ้าเรารู้เราจะรู้ความยาวก็ต้องอาศัยความสัน้นเราจะรู้ความสั้นก็ต้องอาศัยความยาวนั่นก็คือทั้งความยาวความสั้นนั้นเป็นของไม่มีจริงเลยมีขึ้นเพร อ, อาศัยการเปรียบเทียบอาศัยความสัมพันธ์ของสิ่งสองสิ่งนี้ในเทศะที่ต่างกันในกาละที่ต่างกันแล้วเราก็เรียกเป็นว่ามีสัน้นมียาวแต่โดยประมัตดแล้วภาวะที่เป็นสั้นก็ตามที่เป็นยาวก็ตามล้วนเป็นผุญญตา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 คุยกับนโน้นคุยกับคนนี้สัมผัสสิ่งโน้นสัมผัสสิ่งนี้น่าจะมาสร้างหลักปรัชญาหลอกตัวเองได้ยังไงวะไอ้สิ่งนี้เราสัมผัสนี่ยเป็นของไม่มีเป็นอากาศสาศัมผไม่ได้ความจริงในพุทธศาสนามันจะเป็นสิ่งที่สําหรับมารวมรวมใจเราไอ้ของมีบอกว่า ม, มีแต่ที่ว่าว่างเปล่ามี่หมายความว่าว่างเปล่าจากคุณสมบัติของความเป็นของยาวกับความเป็นของสั้นความยาวความสั้นมี มันมีแต่ไอ้สิ่งหนึ่งที่อาศั ย, ยปัจจัยความสัมพันธ์กันนั่นเองที่เรารู้ว่ายาวก็เพราะอาศัยสั้งเทียมที่เรารู้ว่าสั่งก็เพราะอาศัยยาวเทียมนั่นก็คือทั้งยาวทั้งสั้นไม่มีเลยมีแต่อาศัยความเทียบเทียมกันนั่นเองจริงมียาวมีสั้งเกิดขึ้นนี่เรียกว่าสุญญตาในมีกายมาที่ยังมีกานี่ก็เญสุญญตาในในมีกายมาติ่ยังกาเพราะฉะนั้นเราจึงได้ความข้อสรุปว่าอ า, าตมติ ประทญาใ น, นกายพุทธศาสนานั้นแบ่งเป็นสามมิใหญ่มติหนึ่งถือว่าบุคคลศูนย์แต่ทำไม่ศูนย์ทำในที่นี้ได้แก่พวกธรมัตระสภาวะต่างๆเห็นว่าปัวีเจโทวายโยอาโปขันธาอิยตนะสิ่งนี้เป็นธรมัตรสภาวะมิอยู่จริงๆไอสิ่งที่ศูนย์จะเป็นเพียงแต่อัตตาเราเขานั่นเอง แต่ขันทัดอุตจนาจะปลอยศูนจะบอกว่าศูนย์ไม่มีภาวะในตัวมันเองไม่ได้ทาไม่มีภาวะในตัวมันเองแล้วทําไมฝรั่งไทยจะทีนวนแขกถึงจะรู้เรื่องวันนี้มันดินละ่ะถึงแม้ภาษาจะเรียกแตกต่างกันแต่ความเข้าใจตรงกันนี่เอามือแย่มนในฝายก็ล้วนนี่เป็นของร้อนอาการที่เป็นอุณหาเตโชสีสเตโชนี่ อ, อาการที่รู้โดยทางใจนี่แหละเป็นปรมาสสภาวะปรมาสสภาวานั้นเป็นอัคนิทัศนะ บังอย่างเป็นอักนิพพานะอปติคฆะคืออาปูธาอาปูตามความหมายในทางอภิธรรมถือว่าเห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้ที่เราสัมผัสเราอาจจะถือว่าทำไมจะสัมผัสไม่ได้ตักตักน้ามาขันด้วยมือแย่ไปก็รู้ว่านี่มันเปียกแล้วบอกทัมผัสอาปูไม่ได้ทําไมว่า่างนั้นล่ะเปล่าเลยที่เราเอามือแย่ไปนี่มันเปียกขึ้นมานะ่ะอาการที่เราแย่ไปนะ่ะกระทบสุกศทวีแล้วแล้วรู้สึกว่าหน้าไม่เย็นนะ่ะเป็นเป็น สีตาเตโชคือเป็นอุณหภูมิอุณหภูมิต่ําเป็นสีตาเตโชอุณหภูมิสูงเป็นอุณหเตโชเพราะฉะนั้นความเย็นความร้อนนี่นะความเย็นความร้อนเนี่ยความจริงหยุดมาจากอุณหภูมิอย่างเดียวอุณหภูมิอุณหภูมิตามตับก็บอกแล้วว่าเกี่ยวกับเตโชธาเพราะฉะนั้นที่เรารู้ว่ า, น, า, น, าน้าเย็นน้าร้อนก็เพราะอาศัยเตยโชทาเตโชแบ่งเป็นสองชนิด ชนหนึ่งเรีวยกว่าสีปากเตโชเรีวยกว่าไฟยเย็นไฟยเย็นในที่นี้ไม่ปรากฏเปลวไม่ปรากฏปรากฏแต่อาการที่มันลดระดับจากความติดล้อให่อันลงมาเพราะฉะนั้นอาการที่ร้อนน้อยเราเรียกกันว่าเย็นอาการที่ร้อนสูงเราเรียกว่าร้อนความร้อนอุณหภูมิอุณหภูมิต่ำเราเรียกว่าเย็นจนกระทั่งมันต่ํากว่าศูนมันก็กลายเป็นน้าแข็ง แต่ทั้งๆที่ทมันเป็นน้ำแข็งหมแหละมันมีเตโชภาพอยู่ในนั้นถ้าเตโชภาพนั้นน่ะเกี่ยวก็เป็นนภูมิอย่าไปเลงว่าเตโชภาต์แต่แกเปลวไฟแต่แก่แกองไฟดวงไฟไอ้นั่นที่เราเห็นมันเป็นไฟน่ะเป็นสีเป็นวันณ่รูปที่เราเห็นมันเป็นไฟแต่เป็นวันณรู้ไฟจริงๆเห็นไม่ได้ไปอาา่านนี่ทัศนาไฟผมผัดได้ไฟจริง ๆ, ๆอ า, านาๆๆๆนี่ทัศนะตับกระติขลุกไฟ นี่โฆนะาคือเห็นไม่ได้แต่เป็นสัพพิฆาคือกระทบได้อากาศร้อนอากาศเย็นกระทบได้เนี่เรารู้ที่เห็นนอะเรากทำไมจะไม่เห็นในเตาไงล่ะเวลาผุงข้าวนะเราเขาไม่เห็นไฟได้เหรอไอที่เห็นเน่ยทางอภิธรรมถือว่าเป็นวันหน้าสีต่างเข็สีต่าสีวันหน้ารูปตาเห็นสีไม่จะเห็นธาดไฟธาตไฟเป็นธาตปรมาจะต้องกระทบอย่างเดียวถึงรู้ เสี่เหนเป็นเปลว่าไรขนมาละเป็นเพียงสีเรียว่าวันน่ารู้เป็นสีเฉดแนี้เป็นเตโชกรมัดเพราะฉะนั้นในน้ำจึงมีท่านปัทวีเตโชวาโยน้ำเราอาบน้ำเป็นขันขันน้ำรดสู้สู้ตัวเย็นสบายแล้วบอกจะไม่สระทบน้ำยังไงไอที่เรารู้ว่าน้ำกระทบเราสู่สู้นี่แหละกระทบปัทวีล่ะถ้าไปอาบน้ำร้อนเป็นอุณหอุณหเตโช ธากระทบน้ำยก็เป็นสีตาเดโชนี่ธาตุไฟในน้ำมันกระทบอาการที่น้ํามันเกาะกลุมกันได้เกาะกลุ้มกันได้เป็นอำ น, นาจของปฐวีปฐวีธาตุซึ่งมีสภาพเกาะกลุมอาการที่น้ํามันไหลเอ่ไปได้เป็นอำนาจของวายโยธาเพราะนั้นไมนอ่อัพอัปจริงๆน่ะ อานิทัศนะอปภิค้าเห็นก็ไม่ได้สัพพก็ไม่ได้สิ่งที่จะเคินเราสัพพได้ก็มีแต่ในโชวาโยนี่เตะปฐวีนี่ต้นไม้กำสัพพถึงจะรู้วาโยก็เห็นไม่ได้เราบอกว่าเห็นไปไม่ไหวเห็นไปไหได้างเห็นลมที่ไหนใครบ้างเคยเห็นลมไม่มีที่เราลูกมีลมอะเพราะว่าไปไหมมันไหวนั่นไปไหมมันเป็นสัญลักษณ์เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเงาสะท้อน เป็นเครื่องมือที่ให้วายโยกระดาศตัวมันออกมาเราลูดลมพัดเข้าไปไม้ไหวเราลู่ลมเย็นก็เพราะว่าลมมันกระทบตัวเราลมมาต้องตัวเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นลมเลยเราได้แต่กะทบถูกลมกะทบถูกลมเป็นผู้สภาลมอ่ะปัทวีวายโยเตโชเป็นผู้ผู้สภาลมกระทบทางกายทวารกายสัมผัส แต่สัหลับอาโปแล้วไม่เป็นทางกระเท็บทางกายสัมผัสได้เลยแล้วก็เห็นก็ไม่ได้เห็นก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เลยว่าที่จริงไปแล้วถ้าทั้งสีนี่น่อเห็นไม่ได้ถ้าปรมัดทั้งสีเนี่ยเห็นไม่ได้โดยภาวะประมามัดของมันเพราะฉะนั้นร่ากายนี้จึงถือว่าสิ่งที่สูมสิ่งที่ไม่มีภาวะในตัวมันเองได้ก็คือบุคคลสัตแบบราวเขา อันเป็นคาสมมุติบัญญตัติแต่ขันทาศยจนะที่ประกอบด้วยปรัมมัสภาวะอย่างปัทวีเตโชวายโยอาโฟยกตัวอย่างว่ามานี่จะเป็นสุญยตาไม่ยา้จะต้องมีอยู่ถ้าภาวะพวกนี้เป็นพอนนี้คุณสมบัติในตัวมันเองดำรงมั่นในตัวมันเองแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบัญญัติบับบุคคลในสิ่งอะไรนี่เป็นมติกิ่หนึ่ง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 ตัวจิตจะต้องมีอยู่แม้โดยประมัตดจติเป็นมูลธาตุของโลกทั้งหมดโลกทั้งหมดอาศัยจิตเป็นประทัดฐานเพราะฉนั้นสิ่งที่เป็นมูลเดิมธาตุเดิมสิ่งนั้นก็ต้องคงอยู่ดำรงอยู่ตลอดไปนี่เป็นมติที่สองมติที่สามเป็นมติของฝ่ายนิกายมาเทยมิกนิกายนีิถือว่าทั้งบุคคลทั้งธรร ม, มะล้วนเป็นสุญญตา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 ผูค้คนก็เป็นสุญญาตาธรรมะคือขันธรร์ธาตุเทตนะเราก็เป็นผุญญาตาด้วยเมื่อเป็นผุญญาตาเช่นนี้แล้วก็มีค่าไม่ต่างกับอะไรกับมายาบรุรตรคนหนึ่งค่ามายาบุตรเป็นคนการค่าของมายาบุตรสองคนก็มีผลคือเป็นมายาด้วยเหมือนกับเลขศูนย์บวกศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์ฉันใดโลกก็ฉันนะั้น เป็นมายาเด็ดขาดเช่นนี้เหตุที่ว่าเป็นมายาหรือเป็นพัทธิย า, านะ่ะก็เพราะว่ามันอาศัยสิ่งสัมพันธ์กันมีขึ้นไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะแยกออกจากสิ่งสัมพันธ์ดำเนินอยู่โดยเอกเทศโดยตัวมันเองได้เพราะเหตุที่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป้นอยู่โดยเอกเทศโดยตัวมันเองได้จึงจัดเป็นศูนย์นี่เป็น ม, ม า, าตรฐานเรื่องพุทธิยาในพุทธศาสนาแล้ ว, ลวก็สรุปลงมาเป็นสามคณะหรือสามทัศนะใหญ่ๆขึ้นนี้ ปัญหาก็มีอยู่ว่าปัจจุบันนี้ในวงการชาวพุทธในประเทศไทยเราได้มีการโต้แย้งปัญหาหนึ่งจิตว่างจิตไม่ว่างเป็นปัญหาใหญ่ปัญหานี้ไม่น่าประจา์เพราะว่าเป็นเรื่องโต้แย้งมาตั้งแต่โ บ, โบราณแล้วอย่างที่ได้อธิบายมาว่าสามีกายนี้ต่างฝ่ายก็มีคัตนะแตกต่างกันอยู่แล้ ว, ลวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราโต้แย้งนในปัจจุบันน่ะจึงเป็นสิ่งที่ บุรอาจารย์แต่กองเต่าก่อนเขาโตเป็นมาแล้วและเป็นปัญหาซึ่งไม่สิ้นสุดไม่มีผู้ใดชี้ขาดเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ได้เป็นอริยบุคคลกันทั้งนั้นเป็นเพียงแต่ฝ่ายที่ลูกคําหลักปริยสิธิธรรมแล้วก็อาศัยโลยภยักัญญามาแยกแยะอธิบายพุทธภาสิตตีความเอาจึงได้เกิดการโต้แย้งกันเช่นนี้ขึ้นแต่ถ้าจะว่าการตามหลักของนิกายเถรวาสนี่ว่ า, าการตามหลักนิกายเาถรวาสเถรวาสแล้ว ถือว่าจิตจะว่างน่ะไม่ได้จิตไม่มีว่างแต่คําบอกว่างนั้นอาจจะหมายถึงว่าว่างจากกิเลสบางเหล่าอย่งทียอมรับแต่ที่จะบอกว่าจิตว่างจากอารมณ์เด็ดขาดนั้นไม่มีเลยนี่ขปิในิกายเทรวาตนะนี่เป็นมติในกายเทระวาตนิกายเทรวาตบอกว่าจิตว่างจากอารมณ์บางเหล่าได้เช่นว่างจากกิเลสบางเหล่าว่างได้ แม้ที่ไอ้ที่จะบอกว่าว่างจากอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีว่าเลวไม่ได้เพราะอะไรเพราะธรรมชาติของจิตนั้นจะต้องรู้อารมณ์นี่ในในหลักในลูกปีศาจในด้านอริธรรมของนิการะเทระวายจึงได้จํากัดความหมายของคํำว่าจิตลงไปว่ า, าธรรมชาติที่วิตจิตนั้นเพราะรู้อารมณ์อารามะนาพิชานาติจะต้องเป็นผู้ที่รู้อารมณ์ ธรรมชาติทุกสจะต้องรู้อารมณ์เป็นนิสิตแม้แต่ในขณะที่อยู่ในพระสมาบัติก็ดีอยู่ในมัคคจิตผลจิตก็ดีในขณะนั้นก็มีนิพพานเป็นอารมณ์แม้ในขณะที่นอนหลับไม่มีสันก็ดีในพื้นเทพวังขจิตนั้นก็ต้องเอาอารมณ์ในอดีตชาติหรือเอาอารมณ์ในปฏิทินที่ขณะเป็นอารมณ์จะต้องมีกรรมาอารมณ์ หรือไม่ก็มีคติคติอารมณ์พูดง่ายๆว่าจะต้องถือเอาอารมณ์ในขนาาษษณะปฏิบัติที่เป็นอารมณ์ของจิตจิตจะว่างจากอารมณ์ไใดๆเลยมีไม่ไ ด, ไได้นอกจากว่างจากอารมณ์บางเหล่าแต่ไปคว้าอารมณ์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นว่าผู้ที่ได้ฌานจิตก็ย่อมว่างจากปริยุท ธ, ธานกิเลสอันเป็นกิเลสชั้นกลางแต่ว่าอันนีสายกิเลสยังมีอยู่อย่างน้อยจิตก็ยังถือเอาอารมณ์ในฌานนั่นแหละเช่น จะติณนิมิตเป็นอารมณ์ผู้ที่ได้อรูปฌานจิดว่างจากตามาอารมณ์ทั้งหมดแต่ในขณะนั้นก็ต้องเอาอารมณ์ที่เป็นอรูปฌานที่ตัวได้ฌานสมาบัตินั่นแหละเป็นอารมณ์ผู้ที่มีโลกุตระเป็นอารมณ์ผูกนั้นก็เอาหนิพานเป็นอารมณ์โลกุตรธรรมเป็นอารมณ์ก็เอาหนิพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าจิตแล้วจะเรียกว่าว่างจากอารมณ์หรือว่างจากสิเลตโดยสิ้นเชิงได้ อาการที่จิตว่างจากกิเลสโดยสิ้นเชิงอย่างนี้เป็นจิตของพระอรหันต์แต่ขณะนั้นน่ะเป็นจิตของพระอรหันต์แล้วก็เกิดขึ้นเพียงชั่วแห่งมรรคจิตผลจิตต่อไปจิตของพระอรหันต์นั้นก็เป็นกิริยาจิตหมดต้องลงสู่ภูมิกามาวจรบางรูปปาจจรบางอรมูปปาจจรบางแต่ว่าเป็นจิตบริสุทธิ์ที่ไม่มีอนุนสัยหากว่าถือเอากามรรเป็นอารมณ์ก็ได้อารูปเป็นอารมณ์ก็ได้อารูปเป็นอารมณ์ก็ได้ จิตในขณะนั้นเราไม่เรียกว่าตาเมาวจระจิตอุปาวัจระจิตอรูปาวัจระจิตเราไม่เรียกอย่างนัน้นเราเรียกกันว่ากิริยาจิตเพราะว่าพระอรหันต์ท่านถือเอาอารมณ์อย่างมบุปผูชนถือแต่บุปผูชนถือเอาอารมเหล่านั้นด้วยชันทราพระพระอรหันต์ท่านถือเอาอาร ม, ารมเหล่านั้นโดย ม, มีชันทราพระนี่เึงข้อแตกต่างระหว่างอารมณ์ของพระอาริ ย, ยเจ้ากับของบุปผชนแตกต่างกันแต่พระอาริยเจ้าก็เห็นอย่างบุปผชนเห็นรู้อย่างบุปผชนรู้ ลิมรสอย่างกุตุชนลิ้มรถสัมผัสอย่างกุตุชนสัมผัสเศรษฐอารมณ์ทางใจอย่างกุตุชนเศรษข้อแตกต่างจากกุตุชนก็ตรงที่ว่าในใจของพระริยะเจ้านั้นไม่มีชันทาราคะคือความพอใจความติดใจความเสน่หาในอารมณ์นั้นๆติดกับกุตุชนกุตุชนเศรษอารมณ์ใดๆแล้วก็ติดใจพอใจหรือถ้าเศรษที่เป็นปฏิฆาพาอารมณ์ที่เป็นปฏิฆาไม่พอใจ ก็พยายามปัดเป่าออกไปเพื่อที่จะดิ้นรนไปสู่อารมณ์ที่ชอบใจพวกง่ายๆหวังยังมีความก ร, กรวนกระววยแสดิน้นพระอารมณ์อันหนึ่งแสดิน้นไปหาอารมณ์อีกอันหนึ่งแต่ของพออะระอริยบุคคลนั้นไม่มีอาการแสดิ้นอย่างนั้นต่างกันเพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นมติของนิกายเทรวาคําว่าจิตว่างจึงหมายถึงว่างจากอารมณ์บางเหล่าไม่ใช่ว่างทั้งหมดไม่ใช่ว่างจีไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ง่านๆว่างจากอารมณ์บางเหล่านั่นเอง นะส่วนอีกนิกายหนึ่งในทางมหายาณคือนิกายเซนนิกายเซนก็ถือแบบนิกายโยคาจาระไอเดียดิสัไกกลายถือว่าจิตนั้นว่างจากอาเรมเด็ดขาดได้ไม่มีเลยธรรมชาติจิตเดิมบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเลยกิเลสเป็นของจับภายหลังทมาจับจิตธาตเดิมจิตเดิมแท้เป็นของบริสุทธิ์พุททองไม่มีกิเลสเลยแม้แต่นิดหนึ่ง เป็นพุทธะเป็นความจริงเป็นภูตาแต่ว่าเป็นของว่างเปล่าจะอารมณ์โดยสิ้นเชิงผู้ใดสามารถยังจิตให้ตลอดจากอารมณ์โดยสิ้นเชิงได้ผูนั้นก็บรรลุถึงพุทธะคติอย่างนี้เป็นคติของในกายเซนซึ่งเป็นในกายหนึ่งของมหายาติไม่ได้กายหนึ่งของมหาญาตเพราะฉะนั้นเมื่อความเห็นในทางศัสนะในตีความหมายคําบอกว่าของมดากี่อาจารย์แตกต่างกันเช่นนี้ พอโู้แย่งถึงมีเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราเป็นนักศึกษาเข้าใจทุกศาสนาทุกปฐิททุกนิกายทุกแขนงปรัชญาแล้วเราจะไม่ต้องเสียเวลาโตู้แย้งกับใครเลยเพราะเราเข้าใจว่าอ๋อมติอย่างนี้เป็นของนิกายเซนนะมติอย่างนี้เป็นนะิกายเทววาชนะมติอย่างนี้เป็นนิกายมารฐยนิตนะนิกายมติอย่างนี้เป็นนิกายประวัสิวาชนะเราชี้ไปสู่จุดเดิมที่มาของแต่ละวาระได้แล้วไม่ต้องโต้กันไม่ต้องโต้เพราะว่า ปาธะทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่คำอัดาอธิบายขยายความพุทธมติเป็นคําตีความพุทธมติของบรรดาเจดีอาจารย์ภายหลังที่ศึกษาพุทธวจนะแล้วต่างอาจารย์ก็ต่างแต่งขยายความตีความอธิบายออกมาอุปมาคล้ายๆว่าเรียนกฎหมายมาเล่นเดียวกันแต่พนายโจดตีความกฎหมายข้อนี้ไปอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของโจดพนายจําเลยก็ตีความกฎหมายข้อนี้ อย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของจำเลยแล้วก็ศาลก็ตีความกฎหมายข้อนี้ไปอีกอย่างหนึ่งคือประโยชน์วนวนนชนความยุติธรรมทั้งสามฝ่ายก็เรียนกฎหมายเล่อเดียวกันครูเดียวกันวิทยาลายเดียวกันแต่ทํำไมเกิดตีความแตกต่างกันได้ละ่ะนี่เป็นมติของเจเจอาจารย์ทั้นใดหรือึงธรรมะก็ไม่่าการศึกษาธรรมะ ก, การที่ศาสนามีหน้าที่มีกายต่างๆออกมากก็เกิดจากการตีความของบรรดาเจเจอาจารย์รี่หลังนี่แหะขยายความเอาตีความเอาเพราะฉะนั้นนักศึกษาชาวพุทธ จึงจะต้องมีใจกว้างขวางพอที่จะรับฟังมติต่างๆของอาจารย์เหล่านี้โดยอย่าเพิ่งไปผูกพันกับม ต, ติใดมติหนึ่งแล้วก็ใส่รองข่างด้วยโยนิโสมนัสติกาเห็นว่ามาติใดที่มากด้วยเหตุผลเราก็รับปฏิบัติตามมาตินั้นก็เป็นใช่ด่านี่เป็นเรื่องของสุญญตาในวันนี้เขาจบเูื่องสุญญตาเพียงี่ตรงนี้ครับท่านผู้หนึ่งถามบอกว่าสุญญตาสมิธา น, นเป็นคําเดียวกันหรือเปล่า ไม่คำเดี้ครับนิพานนประมังทุ้นอย่างนิพานเป็นคำที่ศูนย์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระอาจาอธิบายแล้วลุญยตานเป็นคล้ายๆกับจะเป็นคุณลักษณะของนิพานนิพานว่างจากวางเกิดแก่เจ็ตตายว่างจากิเลสเพราะฉะนั้นจึงเป็นคําอธิบายหรือคุณสมบัติของนิานานพานจริงๆลุยตาและนิทานอีกใ น, นหนึ่งถ้าจะถือตามมะติของนิการมาเทียมิก คุณนตาจะมีพานอันเดียวกันมีกายมาเทยมิสคุณนตาจะมีพานอันเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านนาคารชุนซึ่งเป็นเอกอาจารย์ผู้ต่างมีกายมาเทยมิสท่านจึงกล่าวบอกว่าโลกกับปณิพานน่ะไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองผู้ใดเห็นโลกแตกต่างจากปณิพานผู้นั้นก็ไม่รู้จักปณิพานผู้ใดเห็นโลกเป็นปณิพานผู้นั้นก็ไม่รู้จักปณิพานโดยประมัตแล้วโลกกับปณิพานนั้นไม่ใช่อันเดียวกันหรือไม่ใช่แตกต่างกันนี่ ท่นว่านั้นถ้าอะไรล่ะก็เพราว่าโลกก็เป็นพุญญาตาความดับโลกอันเป็นสภาพพุทธยตานั้นเป็นนิทานนิทานก็เป็นพุทธิยตาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเป็นตามไวยะนิกายมาเทียิคนิทานกับพุญญตาอันเดียวกัน ต, ต้องว่าตามไวยะของแต่ละนิกายแต่ถ้าว่าตามไวยะของนิกายเทรวาสนิพานไม่ใชุ่ญญตาพุญญตาเป็นคุณสมบัติของนิทาน เระผู้ตี่ถึงนิพพานแล้วย่อมว่างจากเลกโกร๋งหลงว่างจากเกิดแก่เจ็บตายที่ว่าศูนย์นะศูนอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงศืนนิพพานไม่มีนะเพราะฉะนั้น่อนงเราต้องทาความเข้าใจว่าคำว่าศูนย์่ตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอันนี้สำคัญที่สุดอย่าไปไดยินมาพอกเจอคำว่าสูนเนี่ยตาา้มถึงว่าไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่มีนะท่านใช้คำว่านักทิตาไม่ใช้คำว่าศูนจะตา นิพพานว่าถามานิพพานมีอารมณ์ไหมนะฮไม่มีสิครับตันิพพานเลยไม่อารมณ์นิพพานเน่ยเป็นเพียงแต่เป็นอารมณ์ให้ให้กับคนอื่นเขาแต่ในตัวนิพพานน่ยไม่มีอารมณ์หรอกคุณผู้ที่ปฏิบัติถึงมรรคจิตผลรจิตแล้วไม่ต้องถึงแค่ขูดตะปูจิตก็พอที่ปรัสนายานที่หกได้ขูดตะปูยานแล้วท่านผู้นั้นก็น่วงเอานิพพานมาเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นนิพพานจริงเป็นสิ่งที่ถูกถูกให้คนอื่นเ้าเอาไปในอารมณ์ ในตัวนิพพานเองเนี่ยไม่มีอารมณ์อาจารย์นะฮะตัวนิพพานเองน่ยไม่ได้เป็นอารมณ์อะเพราะนิพพานเองไม่ใช่สิตจิตใจหรือไม่นิพพานไม่ใช่จิตจะได้พอมีอารมณ์มัเข้าเปล่าแต่นิพพานเป็นสิ่ง ท, ที่จะให้คนอื่นเขาเอาไปเป็อารมณตัวนิพพานเอกนั่นเองแหละเป็นตัวอารมณ์สําหรับผู้ที่ก็จะเอาไปปฏิบัติเอาไปเป็นอารมณ์ธรมมามะติที่บอกว่าจิตเดิมว่างอยู่แล้วทีพิเรนของมาจากภายหลังหรือว่าจิตเดิมนั่นบริสุทธิ์มาติอย่างนี้ไม่ใช่นกายะละว่ามีกายเป็นมะติมีกายเป็นคซ นี่ไกเซนสอนอย่างนี้หมดจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตเดิมแท้ไม่เกิดไม่แก้ไม่เจ็บไม่ตายจิตเดิมแท้เป็นนิพพานจิตเดิมแท้ว่างเปล่าจากกิเลสกิเลสต่างๆพึ่งมาเกอะปว่วมาเป็นอคัติกะแขกหน้าหมา้แปลกปลอมเจาะจอนเข้ามานีา่ไกเป็นสอนอย่างนี้หลักเดิมของนี่ไกเซนเป็นอ่ะเขาสอนอย่างนี้เท่านั้นเพราะนั้นมาตินี้เราก็ต้องฉีกออกไปบอกว่าอ๋อผู้ใดว่าอย่างนี้ว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตเดิมแท้ว่างจากกิเลสมาติวาทะอย่างนี้เป็นวาทะนี่ไกเป็นฝ่ายมหายาณอ่ะ แต่ว่าวาทข้าของในกายเทนวาทแล้วคําว่าจิดเดิมแท้ไม่มีไม่เจอในบาลีเลยไอคำว่าเดิมเนี่ยเวลาคนแปลภาษาไทยเปมาเอมาขำว่าเดิมประพัป ร, รมีดังทิเกเวติตตังดูก่อรพ่สุทังหลายกิตนี้ประพัดสอนไม่มีคําว่าเดิมไม่มีในบาลีหาคำว่าเดิมไม่เจอแต่นี้นักเลนที่แปลภาษาบาลีนักเลนบาหลีที่แปลบาหลีเป็นไทยเนี่ยไปคว้าคำว่าเดิมมาจากไหนก็ไม่รู้รากาใส่เข้าไปจึงได้หลงผิดกันเขา้าเอาพกเข้ารงเป็นการใหญ่ ไม่รู้เรื่องแต่คขาบอกเดินมาเองนี่นะไปถามนักเรียนบริการบาลีทั้งหลายก็ได้ว่าคาว่าพัฒน์กรดังมีดังจิตตังที่กเวเนี่ยคำว่าเดิมมีที่ไหนไหนศัพท์ลว่าเดิมมีไหมไม่มีเพราะนั้นคําว่าเดิมน่ยผู้แปลใส่เข้ามาเองจิตเดิมแล้วมีน้ํเท่านี่เขาบอกแท้เข้ามาอีกในบาลีเม่อีคําว่าแท้มาจากไหนเลยไม่มีเลยเดิมแท้ของคํานี้ไม่มีในบาหลีอาจจะมีก็มีเฉพาะในมีไกเซนแหละมีไกเซนเขาว่างเงี้นจริงๆว่าจิตเติมแท้จริงๆเขาเรียกปึงแต่ภาษาจริงเรียก่ปึงแต่ บึ้งแ่ขุกแสทีย่เงี่ยไอ้ตึงนี่แปลว่าเดิมแตสคือสภาวะสภาวะดั้งเดิมหรือตึงซิมเกี่ยงจีบตึงติมเหมาะอาตักจีบตึงแสภาษาจีนนะเกี่ยงจีบตึงซิมแต่ว่าเห็นจิตเดิมของตัวเองตักจีบตึงแสตัดรู้ในภาวะดั้งเดิมของตัวเองนี่นี่คำว่าเดิมแท้ล่ะวะนี่กลายเป็นภาคจีนนะครัว่าเดิมแท้ร้อเปเ็แต่ว่ามีการเส็นคำว่าภาคบาลีคําว่าเดิมแท้ไม่มี ประพัดสอนแต่ว่าผุดทองหรือรัตตมีมันก็คำนี้ก็แปลว่าดวก่อนที่จุดทั้งหลายจิตนี้มันทองใสจิตนี้นั้นผุดทองแปลงนี้จิตนี้มันทองใสจิตนี้มันผุดทอ ง, ง, จ, ง, จ, ทองจิตนี้มีแสงประพัดสอนนี่แปลงนี้แปล ว, ว่าผุดทองมีแสงในตัวทองใสเนี่ยไอเขา่าขุดทองก็ทองใสเนี่ยมไม่ได้ไหมายความว่ามันเลยดีเลีนะไม่ได้ไหมายอย่างนั้นเลย แล้วตนนี้วิเคราะห์พุทธพาลิดต่อไปว่าที่คุณเศ้าหมองไปนี่ยเพราะอคัตุกะกิเลสจรมาอคัมภิเกลเอจอคัตุกะกิเลจ ค, คืออะไรอุปกิเกลสิบในอุปกิเลสิบหกนี้ไม่มีคําว่าอาวิชชาไอ้ไปดูให้ดีเดีในวัดภุประมาสูตรบาลีเมติมณีกายท่านแสดงอลักษณะอุปกิเลสิบกแจ้งว่าเป็นข้อข้อเดียวมนนันไม่มีอวิชชานั่นก็คือแสดงว่าจิตตภาพสอน่มีอวิชชาอยู่ วิชาอยู่ที่ว่าของสายหนักคือของสายเพียงแต่ว่าไม่มีอุปกเลส16เท่านั้นเองแต่หาว่หาได้หมายความว่าจะไม่มีอวิชชาไปด้วยหาไม่ได้เพราะในอุปกเล์16นั้นไม่มีคําว่าอาวิชาในนั้นเลยนั่นก็คือแปลว่าในจิตสำนึกนั่นแหละยังมีอวิชาอยู่แต่ที่ว่าจิตเดียวกับสอ น, นึกขุดของหนะักเพราะไม่มีอุปกเลส16อุปกิเลส16ท่าใจ ย, ย่อแล้ว ก็ได้แค่มีวรห้านี่แหละอยู่ในหมูนิวรห้ายอดยอทั้งสิบหข้อลงไปแล้วรวมอยู่ในนิวรห้าพูดง่ายๆอยู่ในการมชันท่ายาปาท่าอุพัชจกุจจะนี่ที่จิตจิตชานี่ประเภทนี้อยู่ในนิวรห้านิวรห้านั้นน่ะเป็นเพียงแต่ทําใจให้ทองสายเท่านั้นเองเพราะนั้นพุทธพาสิทธิ์มีทั่วไปแต่ว่าพอที่สุดได้เป็นเพงถึงตบมชั้นติดทองสายในภายในใช้คํานี้ทีเดียวพอตบมชัานก็ติดทองสายแล้ว ผู้ี่ชาญก็ถ่องใสในภายในกระทั่งถึงเจตุษษชานถ่องใสในภายในทั้งนั้นมีแหละจิตพัทสอนเพราะฉะนั้นจิตพัทอ น, น่ะเล็งเอาก็ได้แก่ภูมิธรรมตั้งแต่พระพฤชานขึ้นไปนี่แหละเป็นจิตพัทสอนเนี่ยเอาแค่นี้เองมไม่ได้หมายกว่าจิตนะเป็นนิทานหรอกไม่มีกิเลสอวิชาก็ไม่มีแล้วในขณะนั้นเปล่าอุปกิเลสสิบหมีมีอวิชชาตรงข้อเข้าไปเลยแม้แต่ข้อเดียวนี่เพราะฉะนั้นเราต้องแยกว่างอาวาชานการให้เราพูด ถ้าว่าตาท่ามีกายเป็นไม่เสียงเป็นจริงตามนั้นว่าจิตเดิมแค่บริสุทธิ์จิตคือนิพพานจิตเดิมแค่ไม่มีกิเลสกิเลสเป็นของแปลกปลอมเข้ามาภายหลังจิตเดิมแค่เป็นของว่างนี่ว่าตามมีกายเป็นถูกต้องร้อเปอรนตามมีกายเซนแต่ถ้าจะว่าตามนีกายเทรวาดแล้วผิดนีกายเทระวาดมันจะสอนอย่างนี้เห็นทร้ว่ า, วาสอนตามมาอย่าง ตามเหตละวาดสิครับผมเห็นธรรมนิกายเหราวาดเพราะเราเพราผมถือว่าธรรมะ น, นิกาเรเหตุลวาดนะเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์กว่าธรรมะนิกายต์อื่นเพราะว่านิกายต์เหตวาดเป็นนิกายอนุรักษ์นิยมคอนเซอร์เวติฟในพุทธศาสนาจึงพยายามจะรักษากำหนดธรรมเนียมประเพณีและหลักธรรมะโดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกับการเวลามากนะไม่ใช่ว่าหมายความว่าธรรมะในเหตุลวาดหรือประเพณีในเหตวาดจะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะมีเหมือนกันแต่มีน้อย พยายามรักษาของเดิมไว้ไม่กล้าไปแตะต้องไปเพิ่มเติไมไ่ขยายความอะไรมากๆไม่กลา้าเราก็ต้องึง้อตำเทระวัตใช่ถ้าจิตเดิมบริสุทแล้วก็าวาถ้าอรหันต์ตกับเป็นกุฏิชนได้สิอ้าวถ้าจิตโ ด, ดมมาริสุธแล้วก็ว่าตามว่าตามเทระวาัตใช่ไหมฮะถ้าอรหันต์ตกใจเป็นกุฏิชนได้สิสไปไก็เสื่อมอรหันต์แผลก็เสื่อมการเป็นกุฏิชนตกบริสุธแล้วทำไมยังมาเปลี่ยนได้ตายเกิดอยู่อีกล่ะ เพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าไอ้จิตเดิมบริสุทธนะิ์เนี่ยไม่มีในพุทธศาสนานิยายเทาววาัตไม่เคยสอนว่าจิตเดิมบริสุทธิ์คำว่าจิตเดิมไม่มีในนิกายเทาววาัตคําว่าเดิมไม่ปุบไม่ไม่มีเลยแม้แต่คําว่าเดิ ม, มีหาไม่เจอแล้วคําว่าเดิมอะตามนิกายเทาววัตนะมีแต่คําว่าจิตประพัดสอนจิตนี้มีเป็นธรรมชาติของใสนะสุดแรกนี้เองอนะ่ะมันมีคําว่าเดิมเข้ามาแท้ของคํานี้นี่มี บาลีตอนนี้ไปให้นักพยากรมามีแปลงไงก็ไม่เจอเขามาเดินเขาเมขาแทะออกมาได้เลยม่มีเลยแล้วเรามาคิดกันง่ายว่าถ้ามันเดินแทาบริสุทธิ์แล้วแล้วทำไมให้กิเลมันจับละ่ะอ้าวมอเขาเพายังมีอวิชาก็ยังรับ่ามีอวิชาก็แปลงมันยังบริสุทธิ์ก็ซึ่งเยอยังมีอวิชาอยู่นั่นก็คือว่าเขามาเดินแทะมันไมมันไม่มีแล้วเพราะยังรับว่ามีอวิชาอยู่จึงปล่อให้กิเลเข้ามาจับใช่ไหมคล้ายว่า กิเลสที่เข้ามาอาคันตุกะกิเลสอะ่ะกี่ลสอย่างกลางอย่างหยาบนะเป็นแขกแปลกหน้าเขาะพะทุทธองใช้คําว่าอาขันตุกะกิเลสพวแขกที่จอด ม, มากิเลสที่จอดมาทีเดียถ้าเจ้าบ้านเป็นคนรู้เท่าทันไอ้พวกนี้ว่าไอ้พวกนี้เป็นโจรแล้วเจ้าบ้านจะยอมรับหรือนี่เพราะไม่รู้เข่าทันในรับเขเข้ามาใช่ไหมยังให้เขามาเคลือบงามใช่ไหมนั่นสแสดงว่าเจ้าบ้านยังโง่ก็คือว่า ย, ยังมีอวิชาตัวเองในพื้นเดิมจะเป็นบอกของบริกุดไม่ดัง ตามตักกันไหนตามตักกันไนหลักองตักการหละคิดอย่างหลักของตั ก, กวิทยาอย่างให้รออีาากประจับเพราะฉะนั้นวาท่าของนิกายเทราวาะวัตจึงเป็นรู้สึกว่าบริสุทธ์ตั้งเดิมมากกว่าเพราะธรรมะในนิกายเทราวาตนี่รับพยายามเป็นสายอนริยนิยมนี่คอน เ, เทิต์เบสิเดี่ยธรรมะในเทระวาัตในสายตาในกายอยื่นเห็นพวกเทระาวัตว่าเป็นพวกจารียนิยมไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรกับการเวลาเลย ถ้าเหตุ น, นี้เรายึงรัาธรรมส่วนใหญ่ให้บริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ไว้ได้ส่วนธรรมะบางตังนานามีกายที่แยกจากเทววัตออกไปนั้นเขาเปลี่ยนแปลงตามต า, า, ามเวลาอธิบายตามมาติเกจิอาจารย์แล้วก็สาวกก็เชื่อตามคาอธิบายของเกจิอาจารย์แยกย้ายเป็นมิกายต่างๆกันออกไปเราก็ไม่ได้คัดค้านเขาไม่ใช่ว่าจะถือเอาเกจิเทววัตแล้วไปหากลํามหักโค่นท่านก็ผิดนะเราเป็นชาวพุทธดยวกันต่างคนตาาาน่างพัะธะต่างนิกายไปก็ท่านก็ประกาศนิกายท่านผมก็ประกาศนิกายผม แต่เราก็รู้ว่าอ๋อนี่พิวาพักนิการนั่นนี่พิวาพคนิการนี้เพราะฉะนั้นขครยัมาท้างรัหาถามวาว่านี้ถูกไหมถอเราก็ย้อนถามเขาตอบมาเอานิการไหมเอานิการไหนหาอนการนี้ก็ว่าอย่างนี้มีการโน่นก็ว่าอย่างโน้นละแล้วคุณจะเชื่ออินการไหนก็ตามใจของเราคำว่ากลางนี่แหละใช่มีจิตมีอารมณ์ไม่ได้ตามมติของอภิธรรมในนิการเถรวาทหาต้องจกับลงไปอีกแหละครับ มีอยู่ก่อนกับติตกระทบอารมณ์เป็นอนุสัยกิเลสขณะที่กระทบกับอารมณ์น่ะเป็นปริยุทธฐานะกิเลสกับวิติกรมะกิเลสกิเลสที่3าชั้นนี่คุณอนุสัยกิเลสน่ะมีมากับจิตพร้อมกันเลยจะว่าใครเกิดก่อนใครเกิดหลังไม่ได้มีมาคู่พร้อมกันเลยคู่มาพร้อมกันเลยนะสุดท้ายที่มากระทบกับอารมณ์เกิดกิเลสน่ะเป็นกิเลสอย่างกลางกับอย่างอย่างละเอียดอย่างหยาบอย่างละเอียดะมีมาพร้อมคู่กันตั้งแต่แต่้่อนแต่ออนตั้งแต่บริเวชาต์นับไป่วนเกิดพร้อมหน้ากันมาจุงแขนกันมาเลย ไม่เที่ยงิั่เทงาเ่จะเนของเที่ยงไงมันก็จิตเิกดมันก็เกิดตามจิติตจับก็ดับตามกิเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันของคู่กันนี่จิตจะเกิดโดยมีอารมณ์โวยลำพังของกิตอ่ะไม่ได้กิตของมันอ่ะมันถึงเอาอารมณ์ถ้ามันไม่เลยนะมันต้องถึอเอาอารมณ์ในปุริธาเป็นอารมณ์ในขาานี้มันอารมณ์ปัจจุบันในพวัง่ะ ระวังขจิตต้องเอาอารมณ์ในปฏิสุที่ขณะเป็นอารมมันอยู่ในลำพังมันก็อเอาอารมณ์ในปฏิสุที่ขณะเป็นอารมณอ้ไอ้นี่น่ะนี่ท่านแสดงโดยหลักปัจจุบันนะอาาัจฉรคุณต้องแบงอัจฉสามอตีตอ า, าอัจฉรวิชาสังขารเนี่ยอตีตอาอัจฉร แล้วก็ตั้งแต่วิญญาณนามรูปสรารยนะผัิสะเวทนาตัณหาเป็นปัจจุบันอาครซึ่งจะยังผลในเกิดเพราะว่าปัจจัยชาติโน่นเป็นอนาคตอาครคุณต้องแบ่งอดีตอนาคตปัจจุบันดิไอพี่วา่าปัิสะกระทบเกิด เ, เวทนาเวทนาเกิดตัณหานี้แสดงปัจจุบนาาันอาถรหมายถึงรับอิดีตปัจจุบันซึ่งจะกอ่อผลในส่งไปเป็นอนุสัยในขึ้นสันดานทุกต์ิตต่อไปในอนาคตแต่ไม่ได้ขึ้นในปัจจุบันอดีตสิอดีตเขามีมาแล้วเอาวิชาสังขาร ขางไม่มีอวิชาตังขาดจากอดีตแล้ววิญญาณในข้างนี้ก็มีไม่ได้ปฏิสุธิวิญญาณก็มีไม่ได้พราะฉะนั้นคุณต้องแยกประเด็นว่าอะไรเป็นอฏิจจัตชาอะไรเป็นปัจจุบนาาันอชาอะไรเป็นอนาคตช า, า, าไม่งัา่านจะแยกเป็น3ามข่วง3มลอกทำไมละ่ะเรื่องของพวะจับเนี่ยแบ่งเป็น3การอดีตการปัจจุบนาานันาาการอนาคตการที่คุณว่าล่ะคุณว่าปัจจุบนาานันการโดยเรื่องอดีต วิชาที่อยู่อดีตนะแต่เราไม่ใช่ไปดับถึงอดีตอวิชาไม่ใช่อยู่อดีตแล้วก็แล้วก็อยู่เงียบอยู่เฉพาะอดีตนะแล้วก็ตามมาใน ใ, นใจเราตลอดทุกปัจจุบันแหละไม่ใช่ว่าอาวิชาแก้ไปอยู่ในห้องขังไว้แจ้ไว้ก่อนหรือออมาทํางานนอก้อแล้วเวลาจะดับต้อไปเขั่ประตูห้องดับมนันก้าถ้าอย่างนั้นละวิชาก็ไม่ถูกไปสิหยิบยก อ, ออกจากใจได้ไม่ปฝากใครไว้ก็ได้ไม่ปฝากเรื่องรัฐจำนำันรัฐจำนำานเอวิชาไว้ก่อนก็ได้ไม่ใช่มันติดอยู่ในอารมณ์ในใจของเราเีงแหละพวกกันรู้ว่าอวิชาเป็นคลื่นเคของอารมณ์หัวใจเลย แม้ในขนาที่ใจของสายอย่างคำวัตถุสอนเนี่ยก็ยังมีอวิชชาอยู่ยังมีอยู่ถ้าไม่มีอยู่แล้วก็มันจะไม่ปล่อยให้อกิเลสจองเข้ามาเนขะ้ามาได้ผลได้หรอกคุณที่มันยอมให้กิเลสจองเข้ามาไดนะ้นั่นแสดงว่ามันยังมีอวิชชาเป็นพื้นแพยอยู่มันถึงโง่พอที่จะเปิดประตูรับกิเลยให้เข้ามาว่าเข้ามารับเข้ามานี่ใช่ลองอยืดเราไปละ ร้อนอยู่ทุกคนก็ร้อนแต่ร้อนมีสองแบบนะร้อนร้อนออกมาข้างหลอดอย่างหนึ่งจะร้อนเป็นไฟสุ้มขอนอย่างหนึ่งไอ้อัลังกายกิเลสนะเหมือนกับไฟที่ปูกที่เข้าจบดูประหนึ่งอ่าเย็นดูประหนึ่งว่าดับแล้วแต่พอเสียที่เท่าเอาปากเป่าก็คุเนี่ยฉันใดกิเลสที่แป้งในใจเราก็เหมือนกันล่ า, ากําลังหัวลอกด้วยความชื่นบานล่าจะทำทานสมาบัติด้วยความสงบแต่นั่นแหละก็ยังกิเลสเทาอยู่แต่การอาการเทาอย่างเทาประนี่เทาโดยที่เราไม่รู้สึก เพราะงั้นผู้ที่อาจารย์บอกว่าแม้แต่พวกครุมก็ยังถูกไฟเผามีตบ่าของสูงย่างนั้น่ะคุณคิดดูสิไม่ใช่ว่าไอ้ร้อนนี่ตกแสดงอาจารย์โคนก็วายอ อ, ออกมาจริงจริงว่าร้อนเท่ากี่เดชไม่ใช่ไฟเย็นไงไฟเย็นเผาอ่ะ ร้องแบบนี้ร้องจากกิเลส ช, ชั้นหยาบคือเป็นพวกวีติกรมะและแต่พวกประยชน์ฐานะแต่แกมีร้องห้ากิเลสร้องอย่างชนิดชั้นหยาไป็นชั้นกลางเนี่ยเราไม่ได้มีอยู่กันเป็นประจำทุกคนหรอกมีเป็นพักๆอย่างเราเนี่ยเวลาโกรธเราก็ไม่ได้โกรธตลอด24ชั่วโมงก็มังมีบางเวลาใจคอผ่องใสบางเวลาร้องไห้บางเวลาโกรธสลักกันเพราะเราอย่างนี้ที่เราจึง เ, เป็นหลักอนุมานได้ว่า ในขณะที่เราใจคอผ่องใยโดวยว่างจากกิเลสบางหล่าได้แล้วยังมีความสุดที่เรียงนี้เลยแะ่ป่วยกล่าวไปใหญ่ล่ะถ้าเราสามารถคุยเอกิเลสอาสวะปัญหาติ่อยู่ในพื้นเพง ใ, ใจออกหมดน่ะเราจะุ